วิธีอธิษฐานจิตถวายในหลวงหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยพระกรรมฐานผู้ทรงคุณธรรมเคยเทศไว้ว่าเวลานี้บ้านเมืองของเราอยู่เพราะในหลวงองค์เดียวเท่านั้นไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่ในหลวงจะเสด็จเหยียบแผ่นดินไทยไปทุกหย่อมยากาเหมือนในหลวงพระองค์นี้เพราะฉะนั้นให้สวดมนต์ภาวนาน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิต ขอให้ในหลวงทรงพระชนมายุยืนนานถึงร้อยปี200ปีหลวงพ่อสอนวิธีอธิษฐานจิตถวายในหลวงไว้ดังนี้โดยให้น้อมจิตระลึกว่าข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญกุศลคุณความดีมารับราชการมาด้วยความสุจริตทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้รับใช้ครูบาอาจารย์เป็นบุญกุศลน้อมถึงบุญกุศลทุกด้านที่ข้าพระเจ้าเคยทำไว้ทั้งหมด ขอประมวลความดีทั้งหมดมาอุทิศเป็นพลังน้อมจิตน้อมใจขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากพระโรคาพาธ ท, ทั้งหลายทั้งปวงเป็นร่มโพร่มใสแก่ประสบนิกรสืบไปสมาธิการเจริญสติสวดมนต์รักษาศีลมีอ น, นิสงฆ์มากกว่าบริจาคเงินและให้ผลสูง นำบุญนี้มาตั้งสัจจะเพื่ออธิษฐานขอพรหรือใช้ในการถวายพระพรได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นด้วยข้าพเจ้าตั้งใจสวดมนตร์รักษาศีลจะ ก, กีดข้อก็ได้ที่ทําได้จริงขอการสวดมนต์และศีลที่ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาและจัดตั้งใจรักษาตลอดไปขอน้อมเป็นพลังถวายบูชาแด่น้อมส่งให้กับคนที่เราต้องการอธิษฐานส่งบุญให้นะครับซึ่งหลักการนี้อธิษฐานให้พ่อแม่ลูกคนรัก หรืออธิษฐานแก้ปัญหาให้ตนเองก็ได้แต่ถ้าขอให้คนอื่นหรือขอเพื่อเป็นปัจจัยให้ได้ทำความดียิ่งขึ้นจะเห็นผลง่ายและไวขึ้นแต่ถ้าทำดีหวังรวยหวังโชคดีส่วนใหญ่หลงแทบทุกรายนะครับสำหรับท่านที่สนใจการภาวนาและการทำบุญแบบง่ายแนะนำให้ลองเข้าไปที่เว็บไซต์โจโจดด์นนะครับดูในหมวดหัวข้อบทสวดภาษาไทยประจาวัน ซึ่งเป็นการเรียบเรียงบทสวดหลายๆบทมารวมเป็นบทเดียวและใช้ภาษาไทยที่เข้าใจง่ายเป็นการบูชาคุณพระรันตนไรการสมาทานศีลการอธิษฐานจิตครบวงจรที่ถูกต้องการแผ่กุศลครอบจั ก, กรวาลซึ่งรวมทุกอย่างไว้แล้วก็ทดสอบมาหลายปีกับคนทั่วไปว่าได้ผลดีจริงๆนะครับสามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาชีวิตได้กับหลายคนอยากให้ลองไปฟังนะครับแล้วคุณจะรู้ว่า หากเรายังไม่ได้บวชการสวดมนต์เป็นภาษาไทยล้วนนั้นทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและเกิดปิติเกิดปัญญาได้มากขึ้นอย่างไรลองแวะเข้าไปฟังหรืออ่านดูนะครับ